ปัของพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยลําพังเพียงแต่ฟังนะบางทีเราคิดว่าเข้าใจแต่พอเอาก็จริงๆมันไม่ได้เข้าใจตามที่หลวงพ่ อ, อได้สื่อสารออกไปซึ่งซึ่งมีเยอะเลยในนักนักปฏิบัติทําทั้งหลายเช่นสมมติเราอ่านพระไตรปิฎกเนาะพออ่านเสร็จเราก็ต้องตีความแบบตามที่เราเข้าใจแต่จริงๆอ่ะมันตีความผิดก็ได้เพราะว่า พระไต่ปิดกเนี่ยมันเป็นภาษาของผู้ที่บรรลุธรรมแล้วแต่ทีนี้เราซึ่งเป็นแบบปุถุชนเนาะเราก็ต้องตีความแบบปุถุชนไงแต่จริงๆมันมันก็ไม่ถูกหรือว่าแม้กระทั่งเราเราฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์เนี่ยตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละเราว่าเอ้ยเราฟังเข้าใจแล้วนะแต่พอไปคุยกับท่านท่านบอกว่าเอ้ยไม่ตรงกันเข้าใจผิดเพราะนั้นสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังจากสื่อเนี่ย เออเมื่อเจอตัวจริงเนี่ยก็ลองลองคุยกันดูว่าเออมันเข้าใจถูกไหมอะไรเงี้ยจะได้เ อ, อ่าแก้ปัญหาเพราะถ้ามันผิดก็กลายมันก็ผิดอยู่นั่นแหละจะกว่าจะถูกทีนี้เรารู้ด้วยตนเองบางทีมันก็ยากนะว่ามันถูกว่าผิดอะไรเงี้ยอืทีนี้ยอมฟังแล้วเป็นยังไงเข้าใจว่ายังไงไหนลองบอกหลวงพ่อพี <laughs> สะดวกเุยไหม เห็นด้วยครับอาจารย์อว่าเวลาเราฟังถ้าเราฟังทางทางเดียวเราคิดว่าเราเข้าใจแต่ความเข้าใจเราอาจจะจะไม่ถูกต้องครับก็มาอย่างส่วนน้อหลวงพ่อเนี่ยเน้นมากเรื่องความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวที่เป็นปัจจุบันเนี่ยทีนี้ความรู้สึกตัวหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะต้องรู้ตัวเราะจะต้องรู้ตัวเราผู้นะตรงนี้สําคัญมากนะ จะต้องรู้ตัวเราพูดที่เช่นอันนี้ยกตัวอย่างเช่นกำลังพูดกำลังถามกำลังคิดกำลังสงสัยหรือว่ารู้ตัวเราที่กำลังนั่งอยู่กำลังเคลื่อนไหวขยุกขยิกอะไรเนี่ยนะออรู้ตัวเพราะการที่เราเนี่ยเอาตัวไปรู้กับรู้ตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นเอาตัวไปรู้เนี่ยเช่นไปเรียนหนังสือ ไปความทมไปปฏิบัติตามจำนัดต่างๆเพื่อให้ตัวเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาตัวเราไปเอาตัวเราไปแสวงหาความรู้<อ>ซึ่งก็ถูกต้องในช่วงต้นนะเพราะว่าพื้นฐานของเรามันไม่มีเนาะแล้วก็ความหลงผิดที่มันติดตัวอยู่ก็คือมีตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเอาตัวเราไปไปทาไปหา ไปคิดไปคน้นไปแสวงาหาอันนี้เบื้องตน้นแต่เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ า, าเมื่อฟังแล้วต้องไปปฏิบัติปฏิบัติคือรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นคำว่ารู้ตัวเองเนี่ยตอนนีมนน้มันไม่ใช่เป็นคำแนะนำของครูบาอาจารย์แล้วหมายความว่าจะต้องรู้ด้วยตนเองครูบาอาจารย์เพียงแต่แนะนาว่าให้รู้ตัวเอง ตรงนี้เราเห็นความแตกต่างได้หรือเปล่าว่าในเบื้องต้นคือมีตัวเราไปหาไปหาครูบาอาจารย์พอไปหาเสร็จแล้วครูบาอาจารย์บอกว่าต่อไปต้องรู้ตัวเองอ่าเพราะนั้นคำว่ารู้ตัวเองก็คือรู้ตัวเราแล้วตอนนี้รู้อย่างไรก็คือรู้ปัจจุบันว่าตัวเรากำลังนะกำลังเลยแหละกำลังทำอะไรกำลังนั่งกำลังคุยกำลังถามกาลังนั่งฟังอยู่หรือว่ากาลังคิด เนี่ยตรงเนี้ยมันมันคันละเอียดซึ่งถ้าเราไม่เคยฝึกไม่เคยปฏิบัติเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้ยากมากเพราะว่าเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักตัวเองมาก่อนแล้วอยู่อยู่มีคนมาคุยเรื่องรู้เรื่องให้รู้จักรู้ไม่เป็นคราวเนี้ยยุ่งเลยเพราะนั้นก็เลยต้องฝึกนะผู้ที่ได้ผ่านการฝึกมาแล้วอย่างโชคชนเนี่ยตรงเนี้ยก็สามารถที่จะ ต่อยอดหรือว่าแนะนําได้เพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ยปฏิบัติทำมานานเนาะแต่ก็ไม่พ้นทุกแต่ก็ยังมีทุกเนี่ยอย่างเนี้ยแสดงว่าไม่ได้รู้ตัวเองปฏิบัติผิดด้านเออเพราะฉะนั้นในการที่มาคุยมาถามเนี่ยมันก็มีประโยชน์มันก็ดีก็ลองลองลอ ง, ลองเนาะลองถามลองคุยกันดูขอขั้นตอนของของผู้ปฏิบัติคือเป็นผู้สังเกตเห็นอาการนะ เห็นอาการที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจนะหรืออาจจะเห็นอาการทางกายก็ได้คือกําลังเรียนรู้สิ่งที่ถูกเห็นถูกรู้อยู่นะเพราะว่าเบื้องแรกเนี่ยนะักปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่รู้จักได้ไม่ยากก็คือสิ่งที่กําลังปรากฏแล้วก็รู้ได้มันเป็นสิ่งถูกรู้อ่ะนะทีนี้แต่ถ้าให้เร็วก็หมายความว่ า, วาโอเคตรงนั้นแหละมั น, ม, นมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นทางเดินของมันซึ่งกําลังปฏิบัติอยู่กําลังทําอยู่ ก็เรียกว่ารู้อารมณ์รู้สิ่งที่กําลังปรากฏแต่ถ้ามีปัญญาที่จะเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อจะพูดต่อไปนี้ก็คือต้องรู้ผู้รู้เพราะเมื่อกี้เป็นสิ่งถูกรู้ทีนี้ผู้รู้เนี่ยส่วนมากเนี่ยคนก็จะไม่ค่อยเห็นแม้กระทั่งบางคนปฏิบัติธรรมานานมากแล้วแต่ก็ไม่รู้จักผู้รู้ถ้าไม่รู้จักผู้รู้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวเราใช่ไหมคือเรารู้เออ เรารู้เมื่อกี้อย่างที่เล่าทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นปัจจุบันตอนเนี้ยก็สามารถที่จะชี้ได้เลยว่าโยมทวีศักดิ์เนี่ยเป็นคนรู้เรื่องที่เกิดขึ้นหลวงพ่อพูดแบบนี้เข้าใจได้ใช่ไหมว่าโยมทวีศักดิ์เป็นผู้รู้แล้วก็เอามาเล่าให้หลวงพ่อฟังทีนี้เมื่อผู้รู้แล้วเนี่ยผู้รู้มันเป็นเราไงเออมันไม่ได้เป็นใครหลอกเพราะว่าปฏิบัติด้วยตัวคนเดียวเนาะรับรู้คนเดียวว่าอะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นแต่ทีนี้กลายเป็นว่า มันมีคือจริงๆอ่ะไอ้ตัวรู้ไอ้ผู้รู้มันไม่ได้เป็นเราหรอกแต่เพราะไม่ไม่เห็นหรือว่าอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเคยยึดเคยยึดผู้รู้เคยไปยึดวิญญาณเนี่ยเคยไปยึดไปยึดวิญญาณขันเนี่ยมาเป็นตัวเป็นตนก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นเหตุการณ์นะเพราะงั้นเมื่อยึดไปแล้วมันก็กลายเป็นเราทีนี้การปฏิบัติเพื่อ เพื่อให้เห็นถูกต้องให้ถูกตัวก็ต้องคือรู้ผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ใช่ใครก็คือเรานี่แหละหลวงพ่อจึงใช้คําว่ารู้เราอ่าตอนนี้เดี๋ยวนี้พอหลวงพ่อบอกว่ารู้เราเนี่ยโอเคได้ไหมก็คือโยมทวีศักนั่นแหละคําว่าเราก็คือตัวโยมทวีศักทั้งตัวเลยตีนี้ปัจจุบันเนี่ยรู้จักตัวเราแล้วว่าตัวเราที่เป็นผู้รู้ก็คือตัวผมนี่แหละตัวฉันนี่แหละตัวกูนี่แหละมารู้ตัวกู ทีนี้ถ้าหลวงพ่อพูดว่ามารู้ตัวกูเนี่ยมันแยกได้ไหมระหว่างตัวกูกับที่มารู้กูถ้าแยกไม่ได้เดี๋ยวหลวงพ่อต้องพูดอีกขั้นตอนหนึ่งแต่ถ้ารู้สึกว่าเออตัวกูก็เป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกันแต่ผู้รู้เนี่ยไม่มีตัวที่หลวงพ่อคุยบ่อยๆมากเลยเนี่ยบอกรู้ตัวเป็นไหมรู้ตัวเป็นไหมที่พูดอย่างนี้ก็เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ แต่ผู้รู้เนี่ยซึ่งเป็นเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้ซึ่งพ้นไปจากตัวเราเพราะว่าถ้าเข้าใจตรงเนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยจะเร็วมากเลยเพราะว่ามันก็จะรู้จักตัวเราเป็นอย่างดีก็หมายถึงว่าตัวเราที่เป็นผู้รู้ผู้จำผู้ผู้อะไรสารพัดผู้นี่นะก็จะเป็นสิ่งถูกรู้หมดเช่นพอจะไปสำนักพอจะอยู่ที่ไหนมันก็จะเห็นตัวเราเลยเป็นผู้รู้ผู้เดินผู้พูดผู้คิดมันก็จะเห็นตัวเรา กลายเป็นตัวเราทั้งตัวก็เป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเมื่อเป็นสิ่งถูกรู้เนี่ยไอ้ธาตุรู้หรือไอ้ความรู้ที่มันรู้เราเนี่ยมันเป็นตัวหลุดเป็นตัวพ้นไปจากตัวเราทีนี้ถ้าเข้าใจตรงนี้มันจะรู้การเข้าใจเข้ายกว่าจะรู้จักเรื่องการหลุดพ้นว่าการหลุดพ้นเนี่ยคือมันแยกระหว่างตัวเรากับธรรมชาติรู้ตัวเราอันนี้อุปมานะเพื่อให้เข้าใจระหว่างการแยกการแยกสิ่งถูกรู้กับ ผู้รู้อันนี้หลาพ่อยกตัวอย่างกับเรื่องที่อยู่นอกตัวก่อนสมมติว่ามีหมาตัวหนึ่งเดินมาใช่ไหมเออเวลาหมาเดินมาเนี่ยโยมโยมทวีศักดิ์คิดว่าเคยเป็นคนเห็นหมาครับโยมครับอ่ามัก็จะมีหมาตัวหนึ่งแล้วก็มีเราอยู่ตัวหมาเป็นสิ่งถูกรู้เราเป็นผู้รู้เห็นไหมการเนี้ยแบบเนี้ยทาให้แยกได้ระหว่างหมากับเรา เราไม่เป็นหมาหมาไม่เป็นเราที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามีการแยกแยกออกมาเป็นสองส่วนคือสิ่งถูกรู้กับผู้รู้แต่ผู้รู้เนี่ยโอเคเข้าใจได้ก็คือหมายถึงว่าเรื่องหมานะหมาไม่เป็นเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเคยเห็นหมามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถึงแยกได้ขาดว่าหมาหมาไม่ใช่เราแต่ทีนี้ไอ้ตัวเราที่เป็นไปเห็นหมานี่สิจะแยกยังไงว่าไอ้ตัวเราเนี่ยให้มันเป็นถูกรู้เหมือนเหมือนหมา มันเป็นเป็นสิ่งถูกรู้เหมือนกับเหมือนหมาเป็นสิ่งถูกรู้แต่ตอนนี้มันแยกไม่ได้ระหว่างตัวเรากับสภาพธรรมะที่รู้เรามันแยกไม่เป็นพอแยกไม่เป็นเสร็จอ่าสภาพธรรมะตัวรู้กับตัวเรามันก็เป็นตัวเดียวกันก็เลยหลุดพ้นจากตัวเราไม่ได้แต่ถ้ามีความรู้หมายถึงว่ารู้ตัวพอรู้ตัวเสร็จแล้วตัวเราก็จะเป็นสิ่งถูกรู้แต่รู้ เป็นสภาพที่พ้นไปมันพ้นไปนะทีนี้หลวงพ่อก็เคยให้แบบฝึกหัดเอาไว้ให้ทดสอบทดลองนะทดลองแต่ถ้าเคยทาเป็นแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะรู้ตัวเองได้ง่ายแล้วเพราะว่าเหมือนแราได้ฝึกแล้วแล้วก็ทำตัวเองเป็นที่หลวงพ่อให้ทดลองเรื่องอะไรเช่นวันก่อนก็ให้ดูผนังใช่ไหมให้ดูรูปถ่ายให้ดูนาฬิกาให้ดูม่าน ตอนแรกก็เห็นม like, like, <like S 1> ่านเป็นสิ่งถูกรู้นาฬิกาเป็นสิ่งถูกรู้เราเป็นผู้รู้เราเป็นผู้ดูแต่พอดูไปดูมากลายเป็นว่าเอ้าเรายืนดูอยู่มันก็รู้ตัวเราว่าเรายืนดูอยู่ไอ้ตรงที่รู้ตัวเราว่าเรายืนดูอยู่เนี่ยตรงนี้มันมีสภาพธรรมะที่รู้เราว่าเราเป็นผู้ยืนดูกลายเป็นว่าเราเป็นผู้ถูกรู้ถูกดูไปแล้ว แต่สภาพธรรมะที่ดูที่รู้เราอ่ะ น, นั่นแหละเป็นสภาพธรรมะที่หลุดพ้นไปจากเราเออเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยก็คือสู่ความหลุดพ้นนี่แหละการหลุดพ้นได้ก็คือรู้เราหรือว่าใช้ควาว่าเห็นเราก็ได้ถ้าเห็นเราไม่เป็นรู้เราไม่เป็นมันก็หลุดพ้นไม่ได้เพราะมันมันไม่ได้แยกตัวออกมางงไหมที่หลวงพ่อพูดมาไม่งงครับเข้าใจแต่ว่ามัน มันมันเข้าใจด้วยความคิดอะครับมันนี่มันยังไม่ได้เข้าใจด้วยใจจริงๆครับอ่าใช่ใส่วนมากก็ก็ทุกหลายคนก็คือเข้าใจด้วยด้วยความคิดเหมือนกับว่าคิดตามแล้วเออเข้าใจเลยเข้าใจแต่ทีนี้พอเอาเข้าจริงทําไม่ถูกนะทีนี้หลวงพ่อจะเอางี้แล้วกันเอาสมมตินะเมื่อกี้บอกหลวงพ่อถามว่าเข้าใจไหมงงไหมโยมบอกว่าไงนะเข้าใจครับหลวงพ่อเนี่ยทุกท่านบอกว่าใครเข้าใจ คือตัวผมเนี่ยไม่ต้องไปคิดค้นเพื่อให้เข้าใจวิธีง่ายกว่านั้นก็คือแค่รู้ตัวผมผู้เข้าใจนึกออกไหมเมยเนี่ยตรงนี้สำคัญมากคือบางคนเนี่ยพอพอกบอกว่าเข้าใจแล้วก็บอกว่าแต่ว่าผมยังเห็นตัวเองไม่ได้ไอ้คำว่าผมตัวเห็นตัวเองไม่ได้ตรงนี้ ไม่ต้องไปทำให้ผมเนี่ยเห็นตัวเองแต่หลวงพ่อก็อย่าบอกว่าเพียงแต่คือตัวผมไม่ต้องทำให้ให้มาเห็นตัวเองเพียงแต่ว่าให้รู้ตัวเองว่าไอ้ตัวผมตัวคนเนี้ยเป็นผู้ยังทำไม่ได้เดี๋ยวอุปมาอีกนะบางทีพอพูดตรงๆเสร็จแล้วมันเอาตัวเราไปช้อนช้อนก็นเลยไม่เห็นสักทีเอาอุปมาอย่างนี้แล้วกันมันมี ห <l ain> <sm utter> ล อ, อ, องพ่อยกตัวอย่างแล้วกันบางทีธรรมะเนี่ยเวลาพูดตรงๆมันเข้าใจยากเนาะแต่ว่าถ้ายกตัวอย่างอุปมาอุปไมยเนี่ยมันพอเข้าใจได้คือเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าโยมบอกว่าผมผมเข้าใจแต่ผมยังทำให้เห็นตัวเองไม่ได้สมมุติประโยคแบบนี้นะผมเข้าใจ <Okay>. <S <S พอครับ ที่ยินไหมครับหลวงพ่อทำที่ ท, ทีแต่ให้รู้ตัวเราพูดคิดจะทำตัวเราไม่ต้องทำแต่ให้รู้ตัวเราพูดที่คิดจะทำอ่ะให้รู้ตัวเราพูดคิดจะทำอุปมาอุปมามันมีคลิปอยู่อันหนึ่งหลวงพ่อถายรูปเอาไว้หลวงพ่อกวาดกวาดใบไม้ที่้านวัดเนาะหลวงพ่อก็ตั้งชื่อว่า ไม่ทำอะไรแต่ให้รู้ตัวเราผู้ทำยมดูดิหมายความว่าตัวหลวงพ่อเนี่ยถ้าคนอื่นเ็าเห็นภาพเนี่ยเห็นภาพว่าเออหลวงพ่อกำลังกวาดกวาดใบไม้เขาเห็นว่าหลวงพ่อเป็นผู้ทำใช่ไหมพอเห็นเห็นด้วยตาเนี่ยแล้วเห็นอากับกิริยาก็มองว่าหลวงพ่อเป็นผู้กวาดใบไม้แต่หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยทาอะไร ความหมายขยายความก็คือว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ได้กวาดขยะไม่ได้กวาดใบไม้แต่สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันคือรู้ว่าตัวเนี่ยไอตัวร่างกายเนี่ยมันกําลังกวาดใบไม้อยู่คือหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได้ทําอะไรแต่สิ่งที่ถ้าพูดให้เข้าใจก็คือว่าเพียงแต่ว่ารู้ว่าตัวหลวงพ่อกําลังกวาดสิ่งนี้อยู่ อา้าวทำให้เข้าใจนะหลวงพ่อยกตัวอย่างประกอบอีกเช่นคนเรานะปฏิบัติธรรมเนี่ยเอาเป็นเอาตายเลยเพื่ออะไรสมมุติเรามองกันในขั้นสูงนะเพื่อให้เราพ้นทุกข์ใช่ไหมพ้นทุกข์ก็คือให้เราเนี่ยถึงนิพพานเนี่ย <c oughs> เห็นไหมมันจะมีตัวเราอยู่มีตัวเราผู้เดินทางไปถึงไปถึงนิพพานแต่ไม่รู้ว่านิพพานอยู่ไหนเนาะ แต่มีตัวเราแหละเป็นผู้เดินเป็นผู้กระทําเพื่อให้ถึงนิพพานแต่ทีนี้ว่าถ้ามีตัวเรานะยังมีตัวเราอยู่เนี่ยจะไปให้ถึงเนี่ยมันไม่ถึงเพราะเหตุว่ายังมีอัตตาตัวตนอยู่แต่ถ้าจะให้ถึงทํำยังไงก็คือว่าตัวเราเนี่ยไม่ต้องเดินไปหานิพพานแต่เพียงแต่ว่าอยู่ตรงไหนหรือ อยู่ตรงไหนก็ตามในขณะปัจจุบันนั้นเนี่ยให้รู้ตัวเราในตอนนั้นเลยว่าตัวเราเนี่ยมีอยู่แต่ความมีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นแค่ขันห้ามันแกเป็นแค่สังขารแล้วก็เมื่อรู้ตัวเราในปัจจุบันรู้ถูกต้องรู้ด้วยปัญญาว่าตัวเราเนี่ยจริงๆมันไม่มีมีแต่ขันห้าหรือว่ามีแต่สังขารที่กาลังปรากฏเฉพาะหนะ้า แค่รู้อย่างเนี้เห็นถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือเมื่อไม่ยึดถือเขาเรียกว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นความเข้าใจถูกแล้วก็เข้าใจถูกแบบแจ่มแจ้งเลยว่าไม่มีเราเมื่อไม่มีเราเนี่ยแล้วเคยจะทุกข์มันก็ไม่มีผู้ทุกข์ใช่ไหมมีแต่ร่างกายเป็นทุกข์มีแต่ขันธ์ห้าเป็นทุกข์ตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีไงมันเมื่อเราไม่มีก็ไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ตรงนั้นแหละมันก็ถึงเขาเรียกว่าพ้นทุกข์พ้นทุกข์ก็คือนิพพาน เพราะนั้นนิพพานคือเข้าใจถูกต้องว่ามันไม่มีเราใช่ไหมเออไ ม, ม่เมื่อมันไม่มีเราเนี่ยคือความเป็นอนัตตาเนี่ยความเป็นตัวตนไม่มีเนี่ยมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์เมื่อถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็คือจบขณะที่รู้ตัวเรารู้ด้วยปัญญาอันชอบถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ต้องไปหานิพพานที่ไหนเพราะการไปหานิพพานเนี่ยมันมีตัวตนใช่ไมไปหากีบไปหาข้ามโลกไปหาโลกโน่นโลกนี้ไปหาหาหก็ไม่เจอร เพราะว่ามันจะเจอได้ต่อเมื่อที่สุดแห่งทุกข์คือไม่มีไม่มีตัวเราอุกมาแบบนี้ที่พอเข้าใจไม่หลักการรู้ตัวเราเห็นไหมมันมันคือรู้ตัวเราในปัจจุบันขนาดว่าตอนนี้เดี๋ยวเนี้ยมันเป็นตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไงแต่ที่ปฏิบัติมาเนี่ยที่คุยกันแล้วลำบากเหลือเกินเนี่ยคือแยกไม่ออกว่าทํำยังไงให้รู้ตัวเราที่ถูกต้องตั้งโจทย์อยู่ว่าทํายังไงถึงจะให้รู้ตัวเราถูกต้องพอ พอทําไม่ถูกมันก็เอาตัวเราดินด้นดินด้นดิ้นดิ้นเพื่อจะทำเนาะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ดิ้นหรอกมันเป็นเพียงแต่ว่าเป็นปัญญาเนาะสติปัญญาที่ระลึกได้ว่าไอตัวพูดจะดิ้นอ่ะไอตัวเนี้ยมันเป็นสังขารแค่ๆๆรู้ตรงเนี้ยว่าเออมันดิ้นอีกแล้วแค่รู้แล้วก็พอรู้เสร็จแล้วไอพูด เรงนี้เรื่องที่หลวงพ่อบหนกับจะคุยเยอะๆเยๆยๆยอ ๆ, ๆเอะพราะว่าถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยมันมันถึงเลยอย่ามันรัดสั้นมากแต่ถ้าเข้าใจไม่ได้มันก็ค่อยๆฟังสะสมไปเนาะเ อ, อทําไมหลวงพ่อเทียนจึงสอนเรื่องความรู้สึกตัวสอนแต่เรื่องเนี้ยท่านไม่รู้สับแสงบาลีไม่รู้หรอกเพราะว่าท่านตื่นรู้แล้วตื่นรู้ก็คือรู้ตัวปัจจุบันนะรู้ตัวเห็นตัวเห็นกายเห็นจิตเนี่ยเห็นอย่างถูกต้องว่าไอเนี้ย มันไม่ใช่ตัวตนหรอกมันเป็นรูปธทำนามธรรมเออเป็นเป็นรูปขันนามขันซึ่งมันไม่ใช่ตัวแต่การที่รู้ตัวเนี่ยไอ้สภาพรู้เนี่ยมันก็เป็นสภาพที่พ้นที่หลุดออกจากตัวเมื่อหลุดแล้วมันไม่เป็นสิ่งเดียวกันมันก็เป็นพ้นไปไเมื่อพ้นไปตัวเนี่ยมันก็ยังมีทุกข์ก็คือมีเจ็บมีปวดมีป่วยมีมีอาการทางจิตสารพัดแต่ว่าเมื่อรู้อยู่ไอ้ความรู้ไอ้รู้เนี่ยมันก็เป็นรู้ที่หลุดที่พ้นไปแล้ว มันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันอเมื่อมีสติมันก็เลยรู้แจ้งรู้จริงรู้หลุดรู้พ้นพ้นเลยพ้นแล้วพ้นเลยไม่กลับมาติดอีกเออรู้แล้วก็พ้นเลยไม่กลับมาติดอีกเออเอาทีนี้ถามต่ออีกนิดหนึ่งโยมาวิศัก์เป็นไงอะจะบอกกลุ่มเพราะว่าหูฟังผมเสียไปช่วงสองสานาทีแรกครับผมเพิ่งเปลี่ยนนะครับก็เลยได้ได้ยินได้ยิน ช่วงครึ่งหลังเนี่ยครับก็ ไ, <riff> aquilo, ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปตามฟังเองได้คร<ม>ับ really, ério, Source, ใช่ครับมีตัวเราจะไปฟังย้อนหลังเออแล้วพอหลวงพ่อสกิทธิให้บอกว่าที่รู้ตัวเราพูดจะไปฟังย้อนหลังอย่างนี้รู้ได้ไหมว่าเออมีตัวเราพูดจะไปฟัง หลวงพ่อบอกรู้ตอนนี้เดี๋ยวนี้เลยว่ายังมีตัวเราพูดจะไปฟังให้เห็นตัวเราให้รู้ตัวเราแซะเมื่อรู้แล้วเนี่ยตัวเรามันก็เป็นสิ่งถูกรู้ขึ้นมาในขณะขณะที่รู้ใช่ไหมอยากเออใช่ครับแล้วก็พอรู้แล้วในขณะที่รู้เนี่ยตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไปแล้วเหมือนหมาเลยแล้วหมาเป็นเราไหมหลังคันเนี้ยอ๋อทีนี้ถ้าเรารู้เราในขณะปัจจุบันเนี่ยจะรู้เลยว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ไงพอเป็นสิ่งถูกรู้ก็เหมือนหมาเนี่หมาก็ไม่ใช่เรา ตัวเราที่เป็นสิ่งถูกรู้มันก็เป็นนุ่นอะเป็นสิ่งถูกรู้ก็คือเป็นอะไรเราก็เป็นถ้าหลวงพ่อเทียนไม่ใช่ควาว่าบางทีท่านบอกว่าเป็นวัตถุก็ได้เป็นอาการก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันเป็นสิ่งถูกรู้อะแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏเนาะแต่มันอาจจะยากแต่ว่าาไปเองท่านหลวงพ่อนทแล้วก็พยายามรู้รู้ตัวเราตามครับแต่แบบว่า มันมันยังไม่ชินครับมันยังไม่ชินว่าเราอ่ะถูกรู้อยู่อะไรประมาณนี้มันยังยังมีความไม่ชินมันยังรู้สึกว่าเรายังยึงยดอยู่ออใช่ใช่ใช่เพราะมันยังไม่ชินเพราะว่ามันมันเพลิงลงมานานแต่ที่จะให้ชินได้เนี่ยตรงเนี้ยเหมือนกับว่าต้องต้องเหมือนกับว่าเมื่อฟังเข้าใจแล้วต้องมาซ้อมซ้อมให้ซ้อมก็เป็นเทคนิคของของตัวเองบ้างลองทําดูที่ว่าตัวเราเป็นสิ่งถูกรู้ได้ไหมหรืออาศัย สิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วก็ลองทําแบบฝึกหัดเช่นหลวงพ่อเคยแนะนําว่าให้ยืนูนู้นดูๆๆนี่เนาะหรือว่าเข้าห้องน้ําอย่างเงี้ยมันรู้เราได้ไหมอะ่ะเออแต่จริงอ่ะไอ้เรื่องเนี้ยหลวงพ่อพูดอีกทีนึ่งนะเออว่าว่าไอ้ตัวรู้เนี่ยมันเป็นยังไงนะไอ้ตัวที่รู้เราอ่ะนะสมมติว่าเออการที่จะเข้าใจตรงเนี้ยอย่างน้อยมันจะต้องเห็นสิ่งสองสิ่งนะอย่างน้อยที่หลวงพ่อจับทางได้อ่ะนะต้องรู้สิ่งสองสิ่ง เช่นอาจจะรู้สิ่งที่อยู่นอกตัวเราก็ได้แต่ต้องรู้ตัวเราด้วยนะเพราะมันมีสองสิ่งใช่ไหมสิ่งที่อยู่นอกตัวเราเช่นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่อันนี้หนึ่งสิ่งแล้วตัวเราก็อีกหนึ่งสิ่งแล้วก็เมื่อตัวเราไปดูไอ้สิ่งที่อยู่นอกตัวเนี่ยดูไปดูมาปับ๊บมันก็จะรู้ตัวเราว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูนเนี่ยตัวเนี้ยไอ้ที่รู้ตัวเราว่าเป็นผู้ดูตรงเนี้ยเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเลยว่าอ๋อไอ้ํารมชา แทบที่รู้ตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่แต่มันรู้ตัวเราได้ก็เลยทําให้เกิดปัญญารู้จักไอสิ่งที่สามเนี่ยหพอพูดอย่างนี้ยสิ่งที่สามเดี๋ยวมันเป็นสิ่งถูกรู้ไปอีกเนาะแต่ว่าเอาเป็นอย่างน้อยต้องรู้สองสิ่งแล้วก็จะรู้อีกสิ่งหนึ่งพอเข้าใจได้ใช่ไหมพอเข้าใจได้ครับเออมันต้องรู้อีกสิ่งมันต้องรู้สองสิ่งถึงจะรู้อีกสิ่งหนึ่งเหมือนกับทําไมพระเจ้าสอนให้รู้จักให้รู้รูปรู้นามอะนามมันก็เป็นสองสิ่งคือ รู้แต่ถ้าเอาสิ่งสิ่งอื่นมาเทียบกับตัวเราแล้วก็ทําเดี๋ยวมันก็จะทําให้รู้จักตัวเราได้อันนี้กรณีที่มันอยู่นอกตัวเนาะแต่ถ้าดูดูกายดูจิตเนี่ยสมมติเราดูกายกายเคลื่อนไหวเนาะอกายเคลื่อนไหวอันนี้สิ่งหนึง่งแล้วก็สมมติระหว่างที่เดินเนี่ยกายเคลื่อนไหวแล้วก็มีความคิดผุดขึ้นคิดเรื่องธรรมะคิดถึงเรื่องงานอะไรก็แล้วแต่แล้วก็แยกเป็นว่าอ๋อไอ้กายนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้ความคิดมันเป็นอย่างนี้ ทีเนี้ยแล้วมันก็จะเกิดการเข้าใจขึ้นมาว่าอ๋อมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้กายแล้วก็มารู้ความคิดเห็นไหมไอ้สิ่งที่มารู้กายเนี่ยมันก็ไม่ใช่กายไอ้สิ่งที่มารู้ความคิดมันก็ไม่ใช่ความคิดมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งแล้วถึงเข้าใจว่าอ๋อมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่มารู้ไอ้สองสิ่งนั้น่ะเออตรงเนี้ยมันก็จะเกิดปัญญาหลวงพ่อยกตัวอย่างของหลวงพ่อเทียนนิดหนึ่งนะหลวงพ่อเทียนทําไมท่านถึงเกิดปัญญาแล้วก็ ทำให้แบบทะลุทะลวงในเรื่องของธรรมะที่ท่านบอกว่าท่านฝึกสตินั่งยกมืออยู่มั้งแล้วก็แมงฟองมันตกใส่ขาท่านบอกว่าพอแมงตกแมงฟองตกใส่ขาเสร็จแล้วเนี่ยท่านบอกว่าท่านรู้จักเออรู้จักรูปรู้จักนามเลยอ่ะแต่ท่านไม่ขยายนะว่าท่านรู้จักยังไงแต่หลวงพ่อขยายก็แล้วกันแต่อาจจะไม่ตรงตามหลวงพ่อเทียนแต่ว่าลองพิจารณาดูเดิมเนี่ยตัวเราเนี่ยนั่งยกมืออยู่นะ ยังไม่มีแมงป่องตกใส่ขานะก็เลยรู้แต่ตัวเราว่าตัวเราเนี่ยนั่งยกมือตอนนี้มันมีตัวเราเป็นผู้รู้แล้วก็ตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้เห็นหมมันเป็นตัวเราหมดเลยแต่ทีนี้พอแมงป่องตกใส่ขาปับ๊บมันก็มีอีกสิ่งหนึ่งมันมาตกใส่ขาใช่ไหมก็ไปรับรู้ตาก็มองเห็นแมงป่องก็กลายเป็นแมงป่องก็ตัวหนึ่งตัวเราที่นั่งปฏิบัติก็ตัวหนึ่ง ทีเนี่ยท่านก็คงเข้าใจเรื่องตัวรู้แหละว่าไอาตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่ใช่แมงป่องเห็นไหมตัวรู้เนี่ยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีความรู้พอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันความคิดความอะไรก็เกิดขึ้นใช่ไหมในระหว่างที่รู้แมงป่องอาจจะพูดภาค บ, บอกเฮ้ยมันตกศึกษาเฮ้ยทำไมไม่ตกใจเลยเอาอาจจะไปเห็นความคิดขึ้นมาพอเห็นความคิดความคิดก็เป็นสิ่งถูกรู้ทีนี้ หลวงพ่อจะขยายให้ดูว่ามันมีกี่ตัวแล้วตอนนี้สภาวะธรรมก็มีตัวเรามีขาคือมีตัวเราหนึ่งตัวมีแมงป่องหนึ่งตัวมีความคิดหนึ่งตัวแล้วก็มีไอ้ตัวรู้อีกหนึ่งตัวนะตัวรู้เนี่ยไม่เป็นขาตัวรู้ไม่เป็นแมงป่องตัวรู้ไม่เป็นความคิดเพราะว่ามันเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างนะพอเป็นอย่างเนี้ท่านจึงบอกว่าท่านเข้าใจแล้วเรื่องแยกรูปแยกนามหรือว่าเรื่องรูปเรื่องนามท่านเข้าใจแล้ว แต่ท่านไม่ได้ขยายมากแต่หลวงพ่อขยายให้ฟังว่าอ๋อแสดงว่าหลวงพ่อเทียนมีปัญญาแล้วไงก็เลยรู้จักรูปรู้จักนามรู้รู้จักความคิดรู้จักสติอ่าสมมว่าหลวงพ่อเทียนตีความว่าไอ้ตัวที่รู้กายตัวที่รู้จิตตัวที่รู้แมงป่องเนี่ยไอ้ตัวรู้เนี่ยสมว่าท่านจะเรียกตัวสตินะก็ได้แต่หลวงพ่อตั้งชื่อรวมรวมไงบอกว่าเป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นตัวรู้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหาไม่ได้เป็นแมงป่องและก็ไม่ได้เป็นความคิด อทีนี้ถ้าสมมติว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีสิ่งถูกรู้มากมายใช่ไหมมีสิ่งถูกรู้มากมายแต่ไอตัวรู้เนี่ยมันไม่เคยเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันไม่เคยเป็นอะไรมันก็เป็นรู้อยู่อย่างเดียวแหละเออเป็นรู้เป็นรู้แต่ทีนี้ก็ลองมามาลองเปรียบเทียบอีกว่าถ้ามันรู้ทางหูทางตาทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิญญาณขันซึ่งเมื่อรับรู้เสร็จแล้วมันจะต้องดับไปถูกไหมล่ะ มันจะต้องดับรู้ปั๊บมันผัดสาปั๊บมันดับเลยดับเลยอันเนี้ก็ยังเป็นก็เป็นรู้เหมือนกันแต่เป็นรู้ของวิญญาณขันยังเกิดดับแต่มันมีอีกรู้หนึ่งไงที่มันรู้การเกิดดับได้อเกิดก็รู้ดับก็รู้อันนี้ยมันไม่อาศัยอายตนะคือมันไม่อาศัยการไม่ได้อาศัยการกระทบแต่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วหลวงพ่อเรียกว่าธาตุรู้ธาตุรู้คือธาตุธาตุก่อนที่มันจะมีขันห้าเออซึ่งมันมีอยู่แล้ว ตามธรรมชาติแต่ขันห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อธาตุดินน้ำไฟลมอากาศแล้วก็ธาตรู้มาผสมกันมันจึงเป็นขันห้าแต่ถ้าย้อนหลังเข้าไปก่อนจะมีขันห้านี่ยมันมีธาตรู้ธาตุดินธาต้น้ำธาตุไฟธาตุลมแต่ธาตุดินน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศเนี่ยพวกนี้ยมันไม่มีมันไม่รู้อะไรเลยนะธาต์ตามธรรมชาติที่รู้อะไรได้มีธาต์เดียวคือธาตรู้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาธาตรู้มันมาผสมกันที่มาเป็นขันห้าก็มันอยู่ในตัวเรานี่แหละ มันจึงรู้รูที่เป็นผู้ดูผู้เห็นเออเห็นเห็นการเกิดเห็นการดับมันวิญญาณดับไปแล้วนะแต่ถ้ารู้มันรู้ว่าดับอ่ะอเออเพราะฉะนั้นถ้ารู้เนี่ยจึงเหนือความปรุงแต่งเรียกว่าไม่เกิดไม่ดับมันเป็นอมตะธรามอันเนี้ยหลวงพ่อก็เหมือนกับว่าชี้บอกให้เห็นว่าจริงๆสภาพธรรมะแต่ละอย่างเนี่ยมันทําหน้าที่แบบนี้แบบนี้เออทีนี้อะไรล่ะที่รู้ตัวเราอะ่ะนั่นแหละไอ้ที่มัน ที่เรามองไปข้างนอกตัวเราเป็นผู้มองใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังมันเห็นเราผู้มองไงเราพูดเราพากเราคิดเนี่ยมันเห็นเราหมดเลยไอ้ตัวที่เห็นเราตัวเนี้ยมันทั้งรู้เราทั้งเห็นเรามันก็พ้นไปจากเรามันพ้นไปจากเราตัวเราเป็นทุกข์ใช่ไหมตัวเราเป็นทุกข์คือไม่เที่ยงอันนี้จังทุกขงังอนัตตาแต่ธรรมชาติที่รู้ตัวเราอ่ะมันพ้นไปจากตัวเรามันพ้นไปจากขันห้าเพราะมันเป็นธาตุรู้ อแล้วมันก็เลยรู้แจ้งแล้วก็มันพ้นทุกข่าทรู้มันจะมีทุกข์ได้ที่ไหนมันไม่มีตัวจะทุกข์มันได้แต่รู้ทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยก็จะทําให้เข้าใจว่าโอ้ไอตัวที่ไม่ทุกข์เนี่ยก็คือธรรมชาติท่าทรู้นี่แหละที่มันพ้นมันไม่ทุกข์ไม่สุขมันไม่เป็นอะไรไม่ปรุงแต่งไม่คิดไม่นึกคือมันมีคุณสมบัติคือรู้อย่างเดียวแต่ขันห้าเนี่ยที่ประกอบด้วยขันเอ้ยด้วยธาตุต่างๆเนาะมันก็มีมันก็รู้ปรุงแต่งไป ทีนี้เมื่อเข้าใจอย่างเนี้ยว่าการถึงที่สุดแห่งทุกเนี่ยก็คือให้มันหลุดพ้นแบบเนี้ยหลุดพ้นได้เพราะไอท้ทาไอ้ธาตุรู้เนี่ยแหละมันตัวหลุดตัวพ้นไปแต่เมื่อก่อนเราแยกธาตุไม่เป็นไม่มีปัญญาเนาะอพอแยกธาตุไม่เป็นมันก็เข้าไปเป็นตัวแล้วก็ยึดยึดยึดตะพึตะพือไป อ, อันนี้อาจจะฟังวันนี้ไม่เข้าใจแต่เมื่อฟังบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเข้าใจเองแต่หลวงพ่อเหมือนกับอยากจะแนะนําว่าเบื้องต้นเนี่ยนะอย่างไงก็ให้รู้ตัวเองให้เป็นก่อน รู้สึกตัวให้เป็นรู้ตัวเองให้เป็นแล้วก็จะเข้าใจแต่ถ้ารู้ตัวเองไม่เป็นนะเอาแต่ตัวเราไปรู้เอาแต่ตัวเอาตัวเราไปจํำอ่ะอันเนี้ยมันไม่รู้สึกตัวมันมันพ้นทุกข์ไม่ได้นอโยมลองดูเนี่ยเอาตัวเราไปรู้ไปรู้คือไปคิดไปค้นไปหาอย่างเงี้ยมันยังไม่รู้ตัวเราเอาตัวเราไปจําอ่านตํารามาเยอะๆฟังมาเยอะจําได้จําได้เกลือเค็มอย่างเงี้ยต่อให้รู้ว่าเกลือเค็มเนี่ยพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความรู้จํา แต่ความรู้จริงนี่คือต้องรู้ตัวเรารู้ตัวเราแล้วก็ไม่หลงไม่ติดไม่ยึดมันได้แต่รู้ตัวเราอตัวเราก็เป็นสิ่งถูกรู้ธรรมชาติรู้ก็รู้ไปมันแยกขาดกันมันไม่เป็นสิ่งเดียวกันมันก็เลยเป็นความหลุดพ้นไะปนะพราะตงนั้นต้องเน้นเรื่องรู้ตัวเราให้เป็นไม่เป็นก็ฟังฟังแล้วก็มันก็ต้องเป็นน่ะเพราะเมื่อก่อนเราก็ไม่เป็นเราก็ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าเ อ, อฝึก ฝ, กฝก יה יה, ๆเยอะๆจนกระทั่งมีผู้รู้จริงเขามาบอกเขามา มาพูดมาเป็นปริศนาธรรมจนกระทั่งมันเข้าใจเป็นปัจจตังเองปริศนาธรรมก็คือท่านบอกว่าเนี่ยไปยืนดูนาฬิกาสิมีแต่สิ่งถูกเห็นแต่ผู้เห็นไม่มีอู้เห็นมีได้ไงรอกันปฏิบัติธรรหลายปียัเสียงบอกเป็นเลยบอกว่าผมเป็นคนเห็นผมเป็นคนเห็นอยู่นั่นแหละอาจารย์บอกว่าไม่ดูไปมาดูสองติ่งยดูภายนอกดูตัวเองดูไปดูมา เอาก็เลยรู้จักธรรมชาติอันหนึ่งที่มารู้เราหรือว่ามาเห็นเราจึงรู้จักว่าโอ้ธรรมชาตินั้นเลยมันพ้นไปจากเราเลยมันพ้นทุกข์พ้นสุขคือพ้นเลยก็เลยเข้าใจเรื่องความหลุดพ้นขึ้นมาว่าความหลุดพ้นคือเป็นอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เราหลุดพ้นแต่มันเป็นความพ้นเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธรรมชาติที่มันพ้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีอวิชชามาบังเนี่ยทําให้มองไม่รู้จักสิ่งนั้นแต่เมื่อเข้าใจแล้วเห็นแล้วมันก็ ก็เลยไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่ารู้แล้วว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรคือไม่ทุกข์อ่า